การเรียนกรรมบทเนี่ยนะในมงคลสูตรท่านกล่าวว่าวินยโยจาศุสิคริโตเนี่ยนะคือวินัยที่ศึกษาดีแล้วหมายถึงศึกษ า, ากุศลกรรมบดสิบนั่นเองศึกษาทั้งกุศลกรรมบดสิบอกุศลกรรมบทสิบเป็นอย่างดีเพราะว่ากรรมบทเหล่านี้เรียกว่าสังวรวินายเนี่ยนะสังวรวินัยด้วยเป็นปหานวินัยด้วยผู้ที่ศึกษารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตมาก มันเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องคิดดูว่าจุดจบของการกระทําเหล่านี้จบลงที่อกุศลกรรมบดไหมอย่างทฤษฎีหลายๆอย่างในโลกเนี่ยโดยมากมันจบลงที่อกุศลกรรมบดสิบโอโเรียนร่ำเรียนซะ ม, มากมาเอาเป็นเอาตายจบลงที่ปานาธิบัติเอาเป็นเอาตายเนี่ยจบลงที่อธินนาทานเอาเป็นเอาตายจบลงที่การมีเอาเป็นเอาตายจบลงที่การฉลองมาแหว่กันจบลงที่สุรามั่ง เอาจริงเอาจังก็จบลงที่พยาบาทบางเอาจริงเอาจังจบลงที่อภิชาบางทีก็จบลงที่มิจฉาทิฐิเพันธ์การเรียนเรื่องกรรมบดก็จะได้ดูว่าเบื้องปลายของสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดชีวิตของเราเนี่ยมันจบลงที่ไหนมันจุดใดพวันถ้าที่ใดล่วงกรรมบดทั้ง10ข้อที่นั่นเปิดประตูอบายนารู้เลยว่าอบายทุกขติวินิบาตินรกนี้เกิดจากอกุศลกรรมบด พันธหมูสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในอบายก็แสดงว่าล่วงอกุศลกรรมบทหรือคิดถึงอกุศลกรรมบทที่ตัวเองทาก่อนตายพันธุ์เราศึกษาอากุศลกรรมบทเนี่ยจะได้เข้าใจวันนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมนี้ประตูแห่งความเสื่อมนี้เป็นประตูแห่งอบายเราก็จะได้ละเว้นพันธเวลาที่เราพูดอะไรทําอะไรคิดอะไรต้องดูว่ามันจบที่ไหนถ้าจบที่กรรมมาบดขออภัยถ้าจบที่การล่วงอกุศลกรรมบท ขอให้รู้เถอะว่าชีวิตเราจบลงที่อบายนะเมื่อไหร่จะได้ไต่เต้าขึ้นมาอีกคงยากเนี่ยนะมาเป็นเดราชานเป็นต้นไม่รู้จะไต่เต้าขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้อย่างไงเพราะว่าในหมู่เดราชานทั้งหลายไม่มีการประพฤติกุศล ก, กรรมบทมนุษยธรรมนี่คือกุศลกรรมบท10ประการเรียกว่ามนุษยธ ร, รรมทันถ้าหากว่าเมื่อใดที่เราไม่รักษากุศลกรรมบทมนุษยธรรมไม่เหลือแล้วทันพบต่อไปประกาศได้เลยว่าไม่แน่ว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกหรือไม่ ปฏิสซนที่ในพบต่อไปเอาอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เพราะล่วงอากุศลกรรมบทสิบบรรท้าเรารู้จักอกุศลกรรมบทก็เหมือนกับว่าเราอ่านฉลากยาพิษเป็น น, นะตัวหนังสือแบบนี้ยาพิษห้ามดื่มดื่มแล้วอันตรายอันนี้ยาพิษนะดังนั้นอกุศลกรรมบทแต่ละข้อนี้เป็นเหมือนยาพิษ น, นะดิน้นดื่มไปแล้วก็ดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ในอบายเนี่ยนะก็ถือว่าเดือดร้อนมาก ส่วนกุศลกรรมบทนี่ก็คือประตูแห่งสุขติเนี่ยนะประตูที่จะอย่างน้อยเป็นมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลของกุศลกรรมบท10เช่นอายุยืนพระเวสจากการฆ่ามั่งมีด้วยโภคาก็เว้นจากอธินนาทานเป็นต้นนั้นกุศลกรรมบท10เหล่านี้แหละทําให้เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมมาดูกุศลกรรมบท10ในหน้า558ร้อยห้บเนี่ยนะ อธิบายโดยลาดับกุศลกรรมบทดศิบคืออะไรเว้นเจตนาเว้นจากปานาติบาเจตนาเว้นจากอธินาทานเจตนาเว้นจากกาเมสุมิฉาจารเจตนาเว้นจากมุสาวาเจตนาเว้นจากปิสุณาวาจาเจตนาเว้นจากพรศวัสดเจตนาเว้นจากสัมผัสปลาปะเจตนาเวอานาพิชชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิทั้งหลายนี่มาดู คำแรกก่อนว่าปานาติปาตาเวรมนีกุสลังน ะ, ะการงดเว้นจากปานาติบาตก็เป็นกุศลกุศลคืออะไรกุศลคือเว้นจากปานาติบาวีรตีตัวนั้นแปลว่างดหรือแปลว่าเวน้นเวรมนีแปลว่าย่ำยีเวนแปลนะว่าทำลายเวนตรงนี้แปลดีนะบอกย่ำยีเวนทำลายเวน มันการงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเนี่ยเป็นการทําลายเว้เพราะละเว้ได้ไม่ต้องผูกเว้ไม่ต้องก่อเว้ไม่ต้องสร้างเว้นบุคคลเว้นจากเว้นจากเวรมณีได้เพราะเจตนานี้เป็นเหตุเพราะฉะนั้นเจตนานั้นจึงชื่อว่าเวรมณีวิรามณีก็คือเวรมณีเอา อ, อีเป็นเอแค่นั้นเอง เรียว่าทําลายเวรละเวรพ้นจากเวรถ้าใครที่เกิดมาไม่ล่วงอกุศลกรรมบทเป็นต้นเนีคนนั้นไม่มีเวรเป็นพวกไม่มีเวรแล้วก็ไม่มีเวรอีกหลายชาติแต่ถ้าพวกที่ล่วงอกุศลกรรมบดก็สร้างเวรไว้อีกมากมายเนี่ยนะสร้างเวรจริงๆเลยนะถ้าไปคิดจริงๆตามนี้แหละมันสร้างเวรจริงๆเลยแต่ละข้อแต่ละข้อคนมีเวรเนี่ยนะว่าเขาเป็นคนมีเวรมีกรรมเนี่ยไล่ไปเหอมาจากทำล่วงอกกรรมบทมาทั้งนั้นนะ่ย คนที่รักษากุศลกรรมบทมาดีมือสะอาดเนี่ยมันไม่มีเวรอะไรให้ต้องชาระสะสางนะปัญหาหลายเรื่องในโลกนี้ที่มันยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายมากาเพราะสร้างเวรเอาไว้นั่นแหละมันก็เลยไม่มีจบมีสิ้นวิรตีหรือวีรตัตัวนี้เนี่ยนะหมายถึง เ, เวีรตี 3, สามเลยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะที่เกิดร่วมกับกับอะไรกับมหากุศล แต่ในที่นี้หมายถึงสัมมาวาจากับสัมมากรรมตะเน้นพิเศษนะนะวิรัติที่สัมปยุติกับกุศลชื่อว่าเวรมณีวิรัติของผู้เว้นจากปาณาติบาตที่พระองค์ตรัสอย่างไรว่าการงดการเว้นจากปาณาติบาตในสมัยนั้นดังนี้เป็นทั้งวิรัติที่สัมปยุต ด, ด้วยกุศลจิตเวรมณีที่เวน้นปรารบเพื่อการเวน้นปกติการเว้นเนี่ยนะวิรติวิรติวิรั ต, เ, รตรเนี่ยเวน้น วิรัตนั้นแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันหนึ่งสัมปัต ต, ว า, า, วตาวิรัตสองสมาทานวิรัตสมสมุเฉทวิรัตวิรัตที่เกิดขึ้นแก่ผู้ไม่ได้สมาทานสิกขาบททั้งหลายมาก่อนแต่พิจารณาถึงชาติวัยความคงแก่เรียนเป็นต้นของตนแล้วก็เห็นว่าไม่เหมาะไม่สมแก่เราแล้วก็ไม่ล่วงเกินสิ่งที่เผชิญหน้ า, น, านี่เรียกว่าสัมปัตตาวิรัตสัมปัตตาวิรัตป ร, รารอบาเออเนี่ย อย่างเราเนี่ยฆ่าได้ที่ไหนไม่เหมาะหรอคนอย่างเราจะฆ่าไม่เหมาะหรอคนอย่างเราจะรักจะขโมยไม่ดีหรอคนอย่างเราที่จะไปประพฤติผิดในการมเป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างเราจะต้องมูสาวาตเป็นต้นไอ้การปลารบแบบเนี่ยนะปลารบตนเองเป็นหลักทําให้มีเฮริเกิดขึ้นตั้งปลารบก็เลยไม่ยอมทําชั่วบางคนอย่างเช่นหลายคนที่เขาไม่ทําชั่วก็ไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจสมาทานอะไรหรอกแต่ว่าเขาไม่ทําอย่างเช่นบางคนที่ไม่ดื่มสุราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารักษาศีลอะไรหรอก แต่ว่าไม่รู้ดื่มไปทําไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรก็เลยไม่ดื่มบางคนไม่ดื่มเพราะต้องการจะรักษาศีลมุงเรืองบอกแค่แถวๆนี้นะงเรืองไม่ดื่มนะแต่ก็มามุงเรืองไม่ดื่มเล้าหรอกตั้งอนเช้ามายังไม่ได้ดื่มสักแก้วเลยเขาเลยไม่ดื่มเป็นตีแล้วส่วนพวกสัมปตตาวิรัติเนี่ยนะเช่นวิรัติของจักกนะอุบาสกในศีลังกาว่า ในเวลาที่อุบาสกคนนี้ยังเป็นหนุ่มอยู่นั่นแหละมารดาของเขาเกิดโรคแล้วก็บอกหมอเออหมอก็ได้บอกว่าควรจะได้เนื้อกระต่ายสดๆเนื้อกระต่ายที่บางอย่างเข้าเครื่องยาเขาเนี่ยนะครั้งนั้นพี่ชายของจักกณะก็สั่งว่าไปเถิดเจ้าจงไปนาแล้วก็ส่งจักรณะไปเขาก็ไปที่นาเวลานั้นก็มีกระต่ายตัวหนึ่งมาเล็มหญ้าอ่อนอยู่มันเห็นเขาแล้วก็รีบวิ่งหนีไปแต่ก็ไป ขล้องกับเถาวันก็ส่งเสียงร้องเนี่ยนะจากกะณะตามเสียงนั้นไปก็จับกระต่ายไว้ได้คิดว่าจะเอามาทำยาให้แม่เสร็จแล้วก็ฉกคิดขึ้นมาว่าไม่เป็นการสมควรสำหรับเขาไม่เหมาะเลยที่จะทำลายชีวิตสัตว์อื่นเพื่อจะแลกชีวิตของแม่ก็เลยพูดว่าไปเถอะเจ้าเจ้าไปกินยาไปกินา้า นนะกินน้ําร่วมกับกระต่ายทั้งหลายในป่าเถอดแล้วก็ปล่อยกระต่ายนั้นไปเมื่อกลับถึงบ้านพี่ชายก็ถามว่าเป็นอย่างไรน้องได้กระต่ายมาไหมก็เลยเล่าให้ฟังบอกไม่ทํำรอกไม่เหมาะรอกที่จะเอาชีวิตสัตว์อื่นมาแลกกับชีวิตของแม่แลกกับชีวิตหนึ่งแล้วก็ทําลายอีกชีวิตหนึ่งไม่สมควรพี่ชายก็เลยด่าใหญ่เลยนะพี่ชายแทนที่จะนุโมทนาเปลา่าด่าเละเลยแต่เขาเข้าไปหาแม่ก็ตั้งสัจจะที่ฐานว่า ข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาจำความได้ไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้แม่หายจากโรคเหมือนั้นแม่ก็หายจริงๆนะแม่ก็หายจกากโรคเพราะสัจจะวาจาของจักกนาอุบาสกเพราะตั้นแต่เกิดมาเนี่ยนะไม่เคยตั้งใจจะฆ่าแม้แต่นิดเดียวมันวิรัตแบบนี้แหละเรียกว่าสัมปตตวิรัตดีโดยอัธยาศัยดีโดยเขาเรียกว่าคนดีๆมันตั้งแตเกิดแล้ว ดีโดยความประพฤติดีโดยอัธยาศัยจริงๆก็เรียกว่าดีจริงๆแต่ไม่แน่นะถ้าเจอเหตุการณ์บีบคั้นอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่เจอพระพุทธศาสน า, าไม่เจอคําสอนเกิดสมมติถูกเกณฑ์ไปเป็นอะไรสักอย่างในงที่สุดก็นําไปสู่ซึ่งการฆ่าไปได้ในนั้นดีโดยอัธยาศัยนะั้นไม่ได้แปลว่าดีถาวร อ, อะไรแต่ดีโดยการสมาทานนี่ถือว่าเยี่ยมกว่าแต่ก็ดีทั้งสองอย่างนะคนที่ดีโดยอัธยาศัยด้วยและสมาทานด้วยก็ดีพิเศษเลยแหละ ส่วนวิรัตที่เกิดแก่ผู้สมาทานศิขาบทมาแล้วจึงสละชีพแม้ของตนในเวลาสมาทานศิขาบทแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็ไม่ล่วงเกินวัตถุที่ได้สมาทานนี้ชื่อว่าสมาทานวิรัตเหมือนอวิรัตของอุบาสกชาวอุตรวัฒมานะอุบาสกคนนี้เนี่ยนะเขาก็ไปรับศิขาบทคือสมาทานศีลในสำนักของท่านปิงคละพุทธรคิธทธิระชาวอัมพริย ว, วิหารแล้วก็ไปไยนา สมาทานศีลเสร็จก็ไปไถนาโคของเขาก็หายเข้าไปในป่าเมื่อตามไปหาก็ขึ้นไปอย่างภูเขาอุตราวัฒมานะงูใหญ่ก็ได้รัดเขาอยู่บนภูเขานั้นเขาคิดว่าจะเอามีดที่คมนี่แหละตัดหัวมันแต่ก็คิดอีกว่าการที่เราสมาทานศีขาบทในสำนัก ข, ของครูผู้น่านับถือแล้วทำลายเสียไม่สมควรคิดสามครั้งน น, นะฆ่าหรือศีลตัดหัวงูหรือรักษาศีลดี ตัดสินใจสามครั้งว่าเราจะสละชีวิตไม่ยอมสละศีลไม่ยอมสละสละิกขาบทก็คว้างมีดดิโต้เล่มที่แบกมาด้วยบนบาเนี่ยทิ้งเข้าไปในป่าทันใดนั้นงูใหญ่ก็คลายตัวออกแล้วก็เลื้อยออกไปนะนะอนนุภาพของศีลก็ช่วยปกปกักรักษาชีวิตให้อยู่รอดต่อไปอันนี้เรียกว่าสมท า, านวิรักเนี่ยนะสมท า, านแล้วก็ไม่ยอมล่วงละเมิดตั้งใจจริงเลยนะ ส่วนวิรัตที่สัมพยุดด้วยอริยมรรคทั้งหลายชื่อว่าสมุทเชทวิรัตซึ่งจําเดิมแต่อริยมรรคเกิดแล้วพระรญยะบุคคลทั้งหลายไม่เคยแม้แต่จะเกิดความคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยนะเจตนาที่เป็นเหตุคิดจะฆ่าไม่มีแล้วด้วยอนุภาพของอริยมรรคแต่วิรัตในที่นี้เนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นกุศลทั่วไรเพราะเกิดจากความฉลาด กุศลเนี่ยนะเพราะตัดเสียซึ่งความทุศีนที่ได้ชื่อว่ากุสะเพราะเป็นที่หมักหมมแห่งความชั่วร้ายดังนั้นก็เรียกว่าตัดความชั่วร้ายตัดทําลายบาปทําลายอากุศลดังนั้นอกุศลกุศลกรรมบด ท, ทั้ง10ข้อเนี่ยนะก็เป็นกุศลธรรมที่น่าสนใจน่าประพฤติน่าปฏิบัติและน่ารักษาสมาทานเอาไว้เถอดถ้าใครสมาทานประพฤติกุศลกรรมบดก็สมาทานที่จะสมาทานให้ตัวเองเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป เท่ากับสมาทานมนุษย์สมบัติเอาไว้แต่ถ้าไม่สมาทานกุศลกรรมบดก็แปลว่าไม่ต้องการแม้กระทั่งจะเป็นมนุษย์อีกแล้วถ้ามนุษย์ยังไม่เอาแล้วจะเหลืออะไรบ้างเอ่อบพรมเทวดาหมดสิทธิ์เนยนะไม่ต้องพูดถึงนิพพานแะล้วมันตกตั้งแต่มนุษย์ยังรักษาไม่ได้เลยเหมือนการสมาทานการตั้งใจประพฤติกุศลกรรมมาบดสิบก็คือรักษามนุษย์สมบัติต่อไปนั่นเอง อุสรกรรมบทแม้นั้นควรทราบวินิจฉัยโดยอาการ5เหมือนกันเหมือนกับอกุสนนะวินิจฉัยคล้ายๆกันว่าธรรมโตเนี่ยนะโดยธรรมะเจดข้อแรกกันนะคือ ว, วิรัต เ, เจตนาที่เว้นจากเจตนาและวิรัตที่เว้นจากการฆ่าการละ ก, การประพฤติผิดในการเว้นจากพูดเท็จพูดสอ่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจริเนี่ยนะเป็นตัวเจตนาก็ถูกนะ แต่วิรัตทั้งสาตอนสุดท้ายคือมโนกรรมเป็นสัมปยุทธิ์ที่ตุเป็นธรรมที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยเจตานาอันดดานาันตัวเจตนาเว้นจากปานาติบาเจตานาเว้นจากอธินนาทานเจตานาที่เว้นจากการมีสุมิจฉาจาร์เป็นต้นเนี่ยนะก็รักษาเจตานาตัวนี้ให้ดี <c oughs> บางคนเนี่ยนะในความที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ ม, มาให้ดีๆเนี่ย เช่นวันๆหนึ่งเขานั่งอยู่เขาไม่ได้ทาบาปอะไรเลยเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ทําบาปอะไรเลยแต่เขาไม่ได้รักษาเจตนาตัวทรัพย์จริงๆตัวที่เป็นกุศลกรรมบทนี้คือตัวเจตนาตัวที่อยู่ที่ใจนะไม่ใช่ว่าแค่กายวาจาเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยขังตัวเองอยู่ในห้องก็เลยนึกว่าตัวเองไม่ได้ทําบาปอะไรไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงรักษากุศลเจตนากระตุ้นให้กุศลเจตนาเกิดได้บ่อยๆเท่าไหรก่กุศลก็ เกิดได้บ่อยมากเท่านั้นพันไม่ใช่ว่าโ้ปล่อยปละละเลยไม่ได้นึกถึงกุศลธรรมเหล่านี้เลยแล้วเรียกว่าเป็นคนมีกุศลกรรมบดไม่ใช่เพราะกุศลนี้ต้องเกิดร่วมกับจิตแล้วจิตที่ปราบร ก, กุศลกรรมมบดมีบ่อยไหมตรงนั้นต่างหากเนี่ยนะตรงนั้นน่ะที่เป็นที่เป็นเหตุแห่งสุขติโดยโกทาสะเนี่ยนะ กุศลธรรมเอ่อกุศลธรรมเจ็ประการตามลําดับเป็นกรรมบทอย่างเดียวไม่เป็นมูลไม่ใช่ตัวกุศลมูลแต่สข้อสุดท้ายคืออาณพิชาอัพยาบาศัมมาทิฏฐินั้นเป็นทั้งกรรมบทเป็นทั้งกุศลมูลอธิบายว่าอาณพิชาคืออโลภกุศลมูลอัพยาบาศคืออโทสะกุศลมูลส่วนสัมมาทิฐิก็คืออะโมหกุศลมูลมันก็รักษากุศลและก็รักษากุศลมูล กระวารักษาสุจริตสามในแนวรักษากายาสุจริศวจีสุจเรศและมโนสุจริตนั่นเองทีนี้เรารู้ได้อย่างไงว่าวันวั น, วนหนึ่งกุศลกรรมบดเกิดบ่อยหรือเกิดไม่บ่อยดูจากอะไรตัวแรกก็บอกดูจากคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆไหมสองถ้าคุณธรรมมันไม่ค่อยเกิดดูจากอะไรอีกดูจากอารมณ์อารมมณ์โตปานาติบาศมีอะไรเป็นอารมณ์ปานาติบาศมีอะไรเป็นอารมณ์ ก็มีการมีสัตว์มีชีวิตตินรีย์เป็นอารมณ์และวันหนึ่งถ้าเราเห็นสัตว์อื่นและเห็นชีวิตตินรียของสัตว์อื่นเราคิดถึงกรรมบุของตัวเองไหมเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนึกถึงกรรมบุของตัวเองได้ไหมบางคนบอกโอ้ต้องคิดบ่อยขนาดนี้เลยหรือเอาเคยเห็นคนค้าขายไหมเห็นมะม่วงปั๊บเนี่ยคนไปขายมะม่วงเนี่ยเห็นมะม่วงเห็นกําไรอยู่ตรงนั้นไหมเห็นคนที่ค้าขายทั้งหลายก็เห็นกําไรอยู่กับสินค้าไหมทีนี้ถ้าเราเห็นชีวิตตินรีของสัตว์ทั้งหลายทำไมเราไม่เห็นศินของเราล่ะ ทําไมไม่เห็นกุศลกรรมบทของตัวเองเพราะกุศลกรรมบทจะมีต่อเมื่อเช่นข้อที่หนึ่งเมื่อมีชีวิตตินซีเป็นอารมณ์ข้อที่สองมีข้าวของวัตถุของผู้อื่นเป็นอารมณ์ข้อที่3ก็มีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตนเป็นอารมณ์ข้อที่4คือเรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นอารมณ์มันเราก็มานาสิการได้เลยว่าถ้าจะร้องเรียกหากุศลกรรมบทก็ดูจากอารมณ์มันเห็นอารมณ์ปั๊บรับอารมณปัจจัยปั๊บดูเลยว่าอารมณ์ตัวเนี้สะท้อนให้เกิดกุศลกรรมบดสิบได้ไหม เช่นเห็นชีวิตของสัตว์อื่นแล้วเรานึกถึงศีลของเราได้ไหมเห็นทรัพย์สินของผู้อื่นนึกถึงศีลของเราได้ไหมเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นแล้วเรานึกถึงศีลของเราได้ไหมเพราะศีลเนี่ยเป็นเป็นเป็นกุศลเป็นสิ่งที่เราแสวงหาสมาทานเหมือนแสวงหาผลกําไรฉะนั้นเห็นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆเราและนึกถึงกุศลธรรมของเราไหมเพราะอันนี้คือการสมาทานเพื่อประพฤติกุศลธรรมของเราไม่ใช่เรารักษาศีลก็รักษาอะไรกันแน่ โดยทั่วไปรักษาสติ๊กเกอร์อย่างที่ว่ารักษายีห่ห้อไว้เฉยๆว่าคนมีศีลแต่ว่ากูสลศีลไม่แทบไม่เกิดเลยวันๆหนึ่งบางทีก็าบอกอเขาไม่ไม่เคยล่วงอะไรเลยแต่ไม่เคยคิดถึงศีลของตัวเองเลยไม่ได้ปรารบเพื่อให้มีศีลเลยไม่คิดถึงอารมณ์ของศีลเลยว่าอารมณ์ของศีลเป็นยังไงไม่รู้มันบางทีไล่ได้หนึ่งถึงหแค่นั้นเองเว้นจากค่าลักทรัพย์อะไรน่าอย่างนั้นแล้ถ้าอย่างนี้ก็ดูท่าจะยากมไง รรักษาศีลตัวนี้ก็คือรักษากุศลเจตนาต้องดูว่าตัวคุณธรรมด้วยโดยอารมณ์ด้วยเนี่ยนะทั้งตัวคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอารมณะทั้งหลายมันสะท้อนให้เกิดศีลได้อย่างไรพันเว ร, รมนีเนี่ยนะจะมีได้โดยได้เผชิญกับวัตถุที่ตนจะก้าวล่วงเท่านั้นขณะที่เว้นจริงๆเนี่ยนะท่าทาโดยการสมาทานเนี่ยนะสมาทานประพฤต จากอะไรก็ได้แต่ถ้าโดยอารมณ์เว้นเฉพาะหน้าจากการเว้นเฉพาะหน้าท่านบอกว่าเวรมณีเนี่ยนะเว้นจากวัตถุที่ก้าวล่วงเหมือนอริยมรตมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วละกิเลสได้ฉันนั้นกรรมบทเหล่านี้เพิ่งทราบ ว, ว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกับต้องมีชีวิตตินสีเป็นอารมณ์จึงจะละทุศีนมีปาณาติบาตเป็นต้นได้ก็ก็บอกว่าสรุปว่า และเว้นจากปานาติบาต์ต้องมีชีวิตตินรีย์เป็นอารมณ์ศีลข้อที่หนึ่งต้องมีชีวิตอินทรีย์เป็นอารมณ์นะไม่ใช่ว่ามีอารมณ์แบบเรื่อยเปื่อยไปไม่ใช่นะสีนข้อที่หนึ่งต้องมีชีวิตเป็นอารมณ์แล้วเห็นชีวิตของสัตว์อื่นปราลบไหมถ้าปราลบนั่นแหละจึงจะเป็นศีนข้อที่หนึ่งเมื่อเห็นวัตถุของผู้อื่นรับอารมณ์คือวัตถุของผู้อื่นแล้วปรารบศีลตัวเองไหมเป็นต้นนั่นแหละคือศีลไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้รักษาตัวกุศลศีอะไรเลยเนี่ยนะ พันธุ์ท่านก็บอกแล้วว่าเหมือนกันฉะนั้นเหมือนกันเพราะปลาปฏิบาตมีชีวิตดินซีเป็นอารมณ์เนี่ยนะจึงละปารบชีวิตของสัตว์อื่นแล้วตั้งใจรักษาศีลปารบวัตถุของผู้อื่นแล้วตั้งใจรักษาศีลปารบคู่ครองของผู้อื่นเป็นต้นก็ปารบศีลเป็นต้นก็หมั่นสมาทานแบบนี้บ่อยๆ บ, บ่อยๆเนี่ยนะรักษาอุโบสถเห็นอาหารก็ศีลของเราอะนะนึกถึงอาหารก็นั่นแหละศีลของเราอะนะ ก็ระลึกไว้แบบนี้บ่อยๆก็จะเป็นการตามรักษาศีลตัวเองโดยเวทนานั้นกุศลศีลบางครั้งก็เป็นโสมนัสบางครั้งก็เป็นอุเบกขาโดยมูลโดยมูลก็บอกว่าเจ็ข้อแรกมีมูล3เพราะบางคนเนี่รักษาด้วยอาโลพะอาโทสะและอมโมหะเป็นมูลถ้ายาณวิปยุทธ์ก็มีมูล2เพราะไม่มีปัญญาประกอบอนัพพิชานี่มีมูล2คือสมัมมา อะไรนะอนัพิชาก็มีอะโทสะกับอะโมหะอพยาบาทก็มีมูล2คืออะ โ, โลภากับอโมหะส่วนสัมมาทิฏฐิมีมูล2คืออะโลภากับอโทสะถ้าญาณวิปปยุทธ์เนี่ยนะยาณวิปปยุทธ์ก็มีมูลเดียวช่นอะอะไรนะอนัพิชาก็มีมูลเดียวคืออะโทสะถ้าอัพยาบาทก็มีมูลเดียวคือ อโลพาอันนี้เรียกว่ากุศลถ้าอากุศลมูลนะเข้าไปกุศลต่อไปก็กุศลมูลกุศลมูลคืออะไรก็คืออะโลพะอโลพะเนี่ยรม ท, ที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับโลพะคือปฏิปักษ์นะปฏิปักษ์ตรงกันข้ามฝ่ายตรงกันข้ามคือศัตรูนั่นเองนะตรงกันข้ามกับมิตรคือ ศัตรูก็คือฝ่ายตรงกันข้ามมนอะโลภคือทำที่ทําลายโลภศัตรูของโลภข่าศึกของโลโลภสภาพธรรมที่ตัวฆ่าโลภชื่อว่าอโลภอะโลภนั้นตัวเองก็เป็นกุศลมูลด้วยตัวเองก็เป็นกุศลด้วยเป็นทั้งกุศลและเป็นทั้งกุศลมูล เันอะโลภะเนี่ยเป็นมูลให้เว้นจากการฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในกามเป็นมูลแห่งกุศลธรรมคุณงามความดีมากมายอโทสะก็เป็นมูลแห่งคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายอโมหะก็เป็นเป็นมูลแห่งกุศลธรรมอย่างอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าอโลพาอโทสะ อ, อโมหะเกิดร่วมกับจิตใดจิตเหล่านั้นก็เว้นจากมโนทุจริตคาพูดใดที่เกิดจากจิตชนิดนั้นคําพูดนั้นก็เว้นจาก วจีทุจริตคำพูดใดที่มีอะโลภอะโทสะอมโมหะเป็นมูลคำพูดนั้นเป็นวจีสุจริตการกระทําใดที่มีอะโลพาอะโทสะอมโมหะเป็นมูลการกระทําเหล่านั้นก็เป็นกายสุจริตเนี่ยนะกายสุจริตทั้งสุจริตกรรมเหล่านั้นที่เป็นไปกับการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมถ้าเว้นจากการฆ่าต้องปารับอะไรชีวิตตินรีย์เป็นอารมณ์ก็คือให้ศีลทั้งหลายเนี่ยลักษณะของศีลคือให้อภัยทาง อันนั้ให้อภัยทานเช่นให้ชีวิตดินณรีเป็นทานอันนั้ให้ชีวิตสัตว์อื่นเป็นทานปรารบให้ชีวิตสัตว์อื่นเป็นทาน 2. ให้อภัยให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นทานเรีให้อภัยทานทรัพย์ของผู้ใดก็จงเป็นของผู้นั้นเถิดขอให้ผู้อื่นเนี่ยเพียบสมบูรณ์ด้วยทรัพย์มีโภคะได้ยั่งยืนเราไม่จะเอาของคนอื่นโดยทุจริตรอกถ้าจะเอาก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนตามธรำเนียมตามกติกาไปแต่ว่าทรัพย์ของผู้ใดก็จงเป็นของผู้นั้นไปนั่นเอง นันคู่ครองของใครก็จงเป็นคู่ครองของผู้นั้นเธอเนี่ยนะแล้วก็เราจะให้แต่คําสัตย์คําจริงเป็นต้น น, นั้นศีลนั้นจึงเป็นอภัยทานถ้ารักษากุศลศีลเหล่านี้แล้วจะมีผลกําไรอย่างไรสมมติถ้าอย่างเช่นให้ชีวิตสัตว์อื่นเป็นทานเนี่ยนะปลาลบสัตว์อื่นเป็นทานให้ชีวิตสัตว์อื่นเป็นทานสมาทานเพื่อจะไม่ยอมฆ่าชีวิตเหล่าสัตว์อื่นเลยผลอันนี้สองเป็นต้นอ่นนะ มาทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และอวัยวะก็มาไล่ดูสมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สูงอนนะเป็นคนที่สูงใหญ่อนนะสูงใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีชวนะดีปฏิพานไหวพริบดีนะชวนะก็คือฉลาดแล้วก็เท้านี่ก็ไม่เหลื่อมไม่ล้ํากันว่าเท้าเสมอไม่ใช่สูงายาวอีกข้างหนึ่งสั้นอีกข้างไม่ใช่แล้วก็เป็นคนสวยงามนะ่ยนะ เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสะอาดเป็นคนกล้าหาญเป็นคนที่มีกําลังมากไม่ป่วยง่ายนี่นะเรียวแรงเยอะเป็นคนที่มีถ้อยคําสละสลวยเป็นคนที่น่ารักน่าพอใจของศาตว์ทั้งหลายใครเห็นใครก็ว่าเห็นแล้วน่าพอใจนีนะ่มีบริวารบริษัทบริษัทบริวารก็ไม่แตกแยกกระวมบริษัทไม่แตกเป็นต้นนี่นะเป็นผู้ที่ไม่หวัดเสะดุ้งไม่หวาดเสียวเนี่ยนะก็มีความแกล้าๆนั่นเอง เป็นผู้ที่ใครใครกำจัดได้ยากหรือใครกําจัดอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครทําลายได้ไม่ตายด้วยการปองร้ายของผู้อื่นคนอื่นประสงมวางแผนจะฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายแล้วก็เป็นผู้ที่มีบริวารมากเป็นผู้ที่มีผิวงามเนี่ยนะผิวเหมือนทองนั่นว่าไงสวรรณตาก็ผิวเหมือนทองคอนคนที่มีสวดทรงงามเนี่ยนะหุ่นดีวังนั้นเหร เป็นคนมีอาภาษน้อยเป็นคนที่ไม่โศกบ่อยเนี่ยนะไม่ไม่เสียใจไม่มีอะไรทําให้เศร้าโศกแล้วก็เป็นคนที่ไม่พลัดพลากจากของรักของชอบใจเป็นคนที่มีอายุยืนมันถ้าใครรักษากุศลเจตนามีชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์ปรารบให้ให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยนะให้อภัยทานให้ชีวิตเป็นฐานปรารบอย่างนี้ก็มีผลกําไรที่เกิดจากการรักษาแบบนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสรีระ เป็นเรื่องของสรีระผิวพรรณรูปร่างหน้าตาอะไรเป็นต้นน่ยนะส่วนถ้ารักษาให้ให้ให้ทรนะัพย์ผู้อื่นเป็นทานหมายความว่าทรัพย์ของผู้อื่นก็จงเป็นของผู้อื่นเิดเนี่ยนะไม่หยิบไม่ช่วยไม่เอาทรัพย์ของคนอื่นด้วยการโคดการโกงการขโมยการลักการช่อการทำทุจริตกรรมด้วยผลแห่งกุศลที่ให้ให้ทรัพย์ผู้อื่นเป็นทานเนี่ยนะให้เรียกว่าให้อภัยในทรัพย์ของผู้อื่น ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้อื่นคนที่รักษาสินคนนี้ดีคือคนที่ให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหมดเลยอันนี้ส่งผลกําไรก็คือเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีข้าวเปลือกมากนะเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะเป็นคนที่มีโภคะอาเนกอ น, นันต์มีเยอะแยะแต่และอย่างไม่ใช่นับหนึ่งไม่นับหนึ่งก็คือ น, บนับเกินหนึ่งเหมนันเถอะเกินหนึ่งเกินเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าเกินหนึ่งแน่นอน แล้วก็โภคทะที่มีอยู่ก็ยั่งยืนเมื่อมีสิ่งใดและสิ่งนั้นเน่ยเช่นมีรถก็ใช้งานจนหมดอายุไขไม่ใช่ว่าใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วอย่าง้นะไม่ใช่ใช้แป๊บเดียวมีอะไรก็ครั้งเดียวก็เสียหายหมดไม่ใช่มีอะไรก็ใช้ข้าวของเครื่องใช้ได้อย่างยั่งยืนเป็นคนที่ได้โภคะตามที่ตัวเองต้องการอย่างเร็วหมายก็ว่าถ้าต้องการอะไรแล้วเป็นได้นั่นนะต้องการสิ่งใดปรารถนาวัตถุใดๆก็ได้อย่างที่ตัวเอง ต้องการเนี่ยบางคนนี่มีบุญจริงๆเลยนะแค่อยากได้เนี่ยก็ได้แหละแต่ไม่รู้ทําบุญอะไรมาเนี่ยนะบางคนเนี่ยอยากจะได้อะไรแค่คิดไว้แค่นั้นแหละว่าเอออันนั้นน่ะดีอยากได้สนใจอยากเอาแค่นั้นแหละชวนรายละเอียดไม่ได้คิดเลยนะแต่ว่าในที่สุดก็โคจรไปก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเพราะอันนี้ก็เป็นผลของศีลนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนมีศีลก็เหมือนกับเป็นคนมีฤทธิ์อย่างนั้นแหละเพราะแค่หวังก็สําเร็จแล้วว่างั้นเดี๋ยวคนอื่นก็เนรมิตให้ มันมีอยู่สองอย่างให้ถ้าคนมีบุญเนรมิตเองกับคนอื่นเนรมิตให้ก็มีอยู่สองกลุ่มพวกเนรมิตเองกับบางคนนี่เขาบอกเขาแบเทวดานี่มีอยู่สามกลุ่มหนึ่งของที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมดาของมันสองเนรมิตเองสามคนอื่นเนรมิตให้ผู้ น, นี้ก็จะได้อย่างที่ตัวเองต้องการแล้วถ้ามีแล้วสิ่งนั้นจะไม่สาธารณะแก่ชนอื่นมหมายหมายว่าบางคนนี่มีแล้วแหมเดี๋ยวก็ถูกยึดเนี่ยนะเนะช่นพระราชายึดเอาไปเนี่ยนะ ในสมัยใหม่เราก็ถือยึดทรัพย์เป็นต้นเนี่ยไม่แต่ถ้าศีลดีจะไม่ถูกยึดไม่สาธารณะกับโจรกับผู้ร้ายทรัพย์ที่มีอยู่ไม่สาธารณะกับน้ําไฟลมเป็นต้นไม่ไม่ทำให้อ่าไม่มีสิ่งใดมาทําให้เสียหายแล้วก็แต่ละอย่างที่มีก็มีโอลานคือแต่ละอย่างที่มีก็มียิ่งใหญ่ไม่ใช่มีก็แหมมีบ้านก็กระท่อมแหมแทบจะซุกตัวเข้ามีข้าวกินก็แหมมีกระมิดกระเมี้ยน กินแทบไม่อิ่มเป็นต้นไม่ใช่แบบนั้นแต่ละอย่างมีมีเยอะเลยเนี่ยนะมีเยอะมีมากเรียกว่ามีโภรคาโอลานต่อไปก็โดยทั่วๆไปก็เป็นหัวหน้าในที่ต่างๆเนี่ยนะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะเป็นหัวหน้าทําไมจึงเป็นหัวหน้าเพราะคนนี้มือสะอาดนะใครก็ยกให้เป็นหัวหน้าถ้าคนมือไม่ไม่สะอาดนี่ใครจะอยากให้เป็นหัวหน้าใช่ไหมเป็นคนที่อะไรนะจอมยักยอกเนี่ยใครจะให้เป็นหัวหน้าทําอะไรเขาไม่ยอมอยู่แล้ว แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักคาว่าไม่มีถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีนะไอ้คว่าไม่มีเนี่ยไม่ต้องถามหามีหมดะนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอยู่ความอยู่อย่างสุขสบายเนี่ยนะหมายความว่าคนที่มีอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้สมบูรณ์ทุกอย่างถามว่าจะอยู่ด้วยความเดือดร้อนไหมไม่ทุกอย่างก็สุขสบายหมดนั้นขอให้รักษากุศลศีลตัวนี้ให้ดีๆเธอรักษาให ให้ความปลอดภัยกับทรัพย์สินผู้อื่นตัวเองมีตัวเองจะมากไปด้วยทรัพย์สินและจะเจริญด้วยทรัพย์สิน